หนึ่งร้อยแปดสิบสี่วุฒะปัพพระชิตะวัตถุว่าด้วยภิกษุเท่าเคยเป็นช่างกระบกในเมืองอาตุมาสามร้อยสามครั้งนั้นพระผู้มีพระภาคประทับอยู่นกรุงกุสินาราตามพระอัธยาศัยแล้วสเสด็จจาริกไปทางเมืองอาตุมาพร้อมด้วยภิกษุสงฆ์หมู่ใหญ่ มีจำนวน 1,250 รูปสมัยนั้นมีพระหลวงตารูปหนึ่งเคยเป็นช่างกระบกอาศัยอยู่ในเมืองอาตูมาพระหลวงตานั้นมีบุตรชายสองคนเป็นเด็กพูดจาไพเราะอ่อนหวานมีไหวพริบขยันขันแข็งฝีมือเยี่ยมในงานกระบกของตนเทียบเท่าระดับอาจารย์ พระหลวงตานั้นได้ทราบข่าวว่าพระผู้มีพระภาคกําลังเสด็จมาเมืองอาตูมาพร้อมด้วยภิกษุสองหมู่ใหญ่จํานวนหนึ่รูปลําดับนั้นพระหลวงตานั้นได้กล่าวกับบุตรทั้งสองดังนี้ว่าพระผู้มีพระภาคกําลังเสด็จมาเมืองอาตูมาพร้อมด้วยภิกษุสองหมู่ใหญ่ มีจำนวน 1,250 ร 1, 250ูปลูกทั้งสองจงถือเครื่องมือตัดผมและโกนผมพร้อมทั้งกับทนานและถุงเที่ยวไปตัดและโกนผมตามบ้านเรือนรวบรวมเกลือบ้างน้ำมันบ้างข้าวสารบ้างของฉันบ้างพ่อเจ้าหุงข้าวต้มถวายพระผู้มีพระภาคผู้เสด็จมาถึงบุตรชายทั้งสอง รับคำสั่งของพระหลวงตาผู้เป็นพ่อแล้วถือเครื่องมือตัดผมพร้อมกับทนานและถุงเที่ยวไปตัดและโกนผมตามบ้านเรือนรวบรวมแลกเกลือบ้างน้ำมันบ้างข้าวสารบ้างของฉันบ้างคนทั้งหลายเห็นเด็กทั้งสองคนพูดจาไพเราะอ่อนหวานมีไหวพริบแม้ผู้ที่ไม่ประสงค์จะให้ตัดก็ให้ตัด ถึงให้ตัดแล้วก็ให้ค่าแรงมากดังนั้นเด็กทั้งสองจึงรวบรวมเกลือบ้างน้ำมันบ้างข้าวสารบ้างของฉันบ้างได้เป็นจำนวนมากครั้งนั้นพระผู้มีพระภาคสเสด็จจาริกไปโดยลำดับจนถึงเมืองอาตุมาทราบว่าพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณภูสาคารคืนนั้น พระหลวงตารูปนั้นสั่งคนให้จัดเตรียมข้าวต้มเป็นอันมากแล้วน้อมเข้าไปถวายพระผู้มีพระภาคว่าพระผู้มีพระภาคโปรดรับข้าวต้มของข้าพระองค์เถิดพระพุทธเจ้าข้า